เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาเรียนรู้พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคำสอนที่ประเสริฐเลิศโลกยิ่งกว่าคำสอนที่มีอยู่ทั้งหมดในโลกนี้ไม่มีคำสอนอันใดที่จะสอนให้ผู้ปฏิบัติ ได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศ จ, จากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคําสอนที่สําคัญที่จําเป็นต่อโลกที่ต้องการความสุขความสงบโลกของเราสังคมของเราจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขได้ ก็ต้องมีธรรมที่พุทธเจ้าท่งสอนให้พวกเราปฏิบัติกันมีกันนั่นเองธรรมที่จะทำให้โลกเราอยู่กันอย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขก็คือพรมวิหารสี่พรมวิหารสี่แปลว่าที่อยู่ของพระพรมพระพรม คือผู้ที่ประเสริฐผู้ที่มีคุณธรรมอยู่สี่ประการด้วยกันได้แก่หนึ่งเมตตาสองกรุณาสามมุนิตาสอุเบกขานี่คือคุณธรรมของพรหมที่ถ้าใครสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้ ก็จะสามารถอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขได้โลกเหล่านี้ทุกวันนี้ที่มีเรื่องวุ่นวายกันต่างๆไม่มีวันไม่รู้จักจบจากสิน้นมีสงครามมีการต่อสู้มีการฆ่าฟันกันมีการเบียดเบียนกันมีการสร้างความทุกข์ให้แก่กันและกันก็เพราะว่า บุคคลที่อยู่ในโลกนี้ขาดคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้เองขาดขาดพรหมวิหารสี่ถ้าโลกเรามีพรหมวิหารสี่โลกเหล่านี้จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขจะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่เกิดจากการกระทำของ ผู้ที่อยู่ในโลกนี้ดังนั้นถ้าเราต้องการให้โลกของเราหรืออย่างน้อยสังคมที่เราอยู่นั้นมีความล่มเย็นเป็นสุขเราต้องสร้างคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ขึ้นมาภายในใจของเราให้ได้ <c oughs> อย่างน้อย <c oughs> สังคมของเราก็จะไม่วุ่นวาย สังคมนี้หมายถึงถ้าตั้งแต่มีคนสองคนอยู่ร่วมกัน mm hmm. เมื่อมีคนสองคนอยู่ร่วมกันย่อมมีการปฏิบัติต่อกันและกันมีการกระทําต่อการและกันถ้ามีคุณธรรมทั้งสีน่นี้คือมีพรหมวิหารสี่มีเมตตาการุณามมลิตาอุเบกขาต่อกันแล้วสังคมนั้นก็จะอยู่เป็นสุข และถ้าไม่มีถ้าไม่ถ้ามีบุคคลที่ไม่ไม่มีคุณธรรมทั้งสี่สังคมอาจจะวุ่นวายแต่คนที่มีคุณธรรมทั้งสีน่นี้จะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆไปกับการกระทำต่างๆ ดังนั้นอย่างน้อยที่สุดผู้ที่มีคุณธรรมทั้งสี่คือมีเมตตากรุณามุนิตาอุเบกขาจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขท่ามกลางความวุ่นวายความทุกข์ต่างๆของโลกนี้ได้ดังนั้น <c oughs> อย่างน้อยถ้าเรามีคุณธรรมทั้งสีนี้เราก็ จิตใจของพวกเราก็จะอยู่กันอย่างโล่งเย็นเป็นสุขเราอาจจะไม่สามารถทำให้สังคมนั้นมีคุณธรรมทั้งสี่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่จะต้องศึกษาที่จะต้องปฏิบัติกันแต่ถ้าไดผู้ใดได้ศึกษาได้ปฏิบัติคุณธรรมทั้งสี่นี้ ผูนั้นก็จะมีความร่วมเย็นเป็นสุขดังนั้นขอให้เรามาศึกษามาเรียนรู้ว่าคุณธรรมทั้งสี่นี้มีอย่างไรและจะปฏิบัติอย่างไรถึงทำให้เกิดคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ขึ้นมาในใจของพวกเราเมื่อเรามีคุณธรรมมีเมตตาการุณามุดิตาอุเบกขาแล้ว ใจของเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขและผู้คนบุคคลที่มาเกี่ยวข้องกับเราเขาก็จะได้สัมผัสกับความร่มเย็นเป็นสุขของเรา <Hare> <g ül> ก็จะทา <G ül> ก็จะส่งผลให้เขาได้ปฏิบัติตามเมื่อเขาเห็นว่าการมีความเมตตากรุณามุญตาอุเบกขานี้ทำให้จิตใจร่มเย็นเป็นสุข ความวิหารสี่ข้อที่หนึ่งก็คือเมตตาคำว่าเมตตาก็คือความปรารถนาดีต่อผู้ต่อผู้ที่เราอยู่ร่วมกันคือมีความปรารถนาให้เขาอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่คิดทำร้ายไม่คิดร้ายต่อผู้อันนี้คือความเมตตาพวกเราชาวพุทธนี้ คงจะรู้เรื่องเมตตาอยู่เพราะเราสวดบทแผ่เมตตากันทุกวันถ้าเราเป็นผู้ที่มีกิจวัตรคือมีการไหว้พระ ส, สวดมนต์มักจะมีบทแผ่เมตตานี้อยู่ในส่วนหนึ่งของบทสวดมนต์ด้วย <c oughs> แต่พวกเราอาจจะเข้าใจผิดคิดว่า เวลาที่เราสวดบทแผ่เมตตา<ม>สัพเพสัตตาอเวราโหตุเป็นต้นเราก็อาจจะไปคิดว่าเรากำลังแผ่เมตตาซึ่งความจริงนี้การสวดมนต์นี้ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาแต่อย่างใด<ม>การแผ่เมตตานี้ต้องแผ่ด้วยการกระทำต่อบุคคลต่างๆที่เราไปเกี่ยวข้อง ที่เราไปพบปะพบเห็นด้วยไม่ใช่นั่งสวดมนต์คนเดียวแล้วก็สวดบทแผ่เมตตาแล้วก็แผ่ไปทั่วตายพบอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการแผ่เมตตาไม่ใช่ไม่เหมือนกับวิทยุกระจายเสียงถ้าวิทยุกระจายเสียงนี่เขาก็สามารถกระจายสัญญาณวิทยุจากจุดหนึ่งไปสู่ หลายๆที่ด้วยกันได้แต่การแผ่เมตตานี้ไม่ได้แผ่ด้วยการสวดบทแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทำเวลาที่เราพบปะกันการสวดบทแผ่เมตตานี้ก็เป็นการฝึกทำสมาธิเพื่อทำใจให้สงบเย็นสบาย แล้วก็เป็นการศึกษาว่าการแผ่เมตตานี้จะต้องแผ่อย่างไรเพราะบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าการจะแผ่เมตตานี้ต้องทำอย่างไรบ้างเราก็ต้องเรียนรู้จากผู้ที่รู้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะสอนให้เราแผ่เมตต า, อ ย, าอย่างถูกต้องการสวด ก็เพื่อเป็นการจดจำนั่นเองจดจำเพื่อให้เรารู้ว่าเวลาที่เราพบปะกันเราต้องทำอะไรกันบ้างเพื่อให้เราอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็ยนเป็นสุดบทแผ่เมตตานี้ก็จะมีสี่สี่ข้อด้วยกันที่เกี่ยวกับการให้ความเมตตาต่อผู้ข้อที่หนึ่ง ส, สัตเพสสัตตาอาเวลาหนตุขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงไม่มีเวรกันเถิดความหมายก็คือขอให้เราอย่าไปมีเวรมีกรรมกับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นสัตว์ที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาคือกายทิพย์ทั้งหลายถ้าเรามี การพบปะการมีการเผชิญหน้ากันแล้วถ้าเกิดมีการกระทำอะไรที่ทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนต่อกันนะกันเราไม่ควรจองเวรจองกรรมกันคืออย่าไปคิดล้างแค้นเวลาที่ใครเขาทำให้เราเสียหายหรือเสียใจเพราะว่าเวลาที่เกิด ความมาคาดปยาบาดขึ้นมามันสร้างไฟนรกขึ้นมาเผาใจของเราเองและวิธีที่จะดับไฟนรกคือความทุกข์ใจที่เกิดจากความมาคาดปยาบาทก็คือต้องให้อภัยกันไม่จองเวรกันดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเวรย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวร เวร ย, ยอมระงับด้วยการไม่จองเวร mm. เขาทําอะไรเราแล้วเราไม่ไปแก้แค้นไปล้างแค้นเรื่องมันก็จบแค่ตรงนั้น mm. แต่ถ้าเราไปแก้แค้น mm. เขาว่าเราเราก็กลับไปว่าเขา mm. หนักกว่าที่เขาว่าเรา mm. เขาก็จะโกรธเรา mm. เขาก็จะมาตีเรา mm. มาทําร้ายเรา mm. พอมาตีเรามาทำร้ายเราเราก็อาจจะไปตีเขาทำร้ายเขามากกว่าที่เขาทำร้ายเราก็อาจจะทำให้เขามาฆ่าเราก็ได้มันสงครามมันเกิดขึ้นจากเรื่องเล็กๆน้อยๆเนื่องจากการที่ไม่ยอมกันเท่านั้นเองถ้าเรามองถึงภัยที่จะตามมาจากการอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกันเราก็ควร ให้อภัยกันไม่จองเวรกันแล้วเจ้ากรรมนายเวรก็จะไม่เกิดขึ้นมาเจ้ากรรมนายเวรก็เกิดจากการที่เราไปจองเวรจองกรรมเขาก่อนเขาทำร้ายเราหรือทำอะไรให้เราเสียหายเราก็ไปล้างแค้น mm hmm. พอไปล้างแค้นก็ไปสร้างเวรสร้างกรรมขึ้นมาสร้างเจ้ากรรมนายเวรขึ้นมานั่นเอง พวกเรามักจะมาแก้ปัญหาผิดที่มาแก้ตอนปลายเหตุเมื่อเกิดเจ้ากรรมในเวรแล้วก็อยากจะให้เจ้ากรรมในเวรหายไป mm. เจ้ากรรมในเวรไม่หายไปตราบใดที่เขายังไม่ได้ล้างแค้นเราดั mm. างนั้นถ้าถ้าเราไม่อยากจะให้มีเจ้ากรรมในเวรพยายามหักห้ามใจเวลาที่เกิดความโกรธ mm. เกิดความมาคาดพยาบาท บว่าอย่าไปล้างแค้นกันเลยได้ไม่คุ้มเสีย <c oughs> ได้ไม่คุ้มเสียได้ล้างแค้นเขานิดน่อยทำร้ายเขานิดหน่อยแต่ไปสร้างเวรสร้างกรรมใหญ่โตที่จะตามมาต่อไปและถ้าตราบใดเขายังไม่ได้ล้างแค้นเราเขาก็จะตามเราข้ามพบข้ามชาติต่อไป ถ้าไปเกิดพบหน้าชาติหน e ้าไปเจอกันท um. ี kami, ่ไหนเมื <k ologia. S 2> <t> ่อไหร่เวลาใดเขาจะรู้ทันทีว่าเราเป็นเจ้าคู่กรรมกับเขาสังเกตดูคนเราบางทีไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่พอมาพบกันกลับไม่ชอบที่หน้ากันก็มีอันนั้นแหละแสดงบอกว่าเคยมีอะไรกันมาในอดีตชาติเคยจองเวรจองกรรมกันมาก่อน พ อ, อมาเจอกันชาตินี้ก็มันก็ขึ้นมาทันทีเลยงั้นมองมองไกลๆอย่ามองแค่สั้นๆอย่ามองแค่ระบายความโกรธความแค้นด้วยการไปทำร้ายเขาวิธีที่จะระบายความโกรธความแค้นที่ถูกก็คือต้องให้อภัยเหมือนกับวิธีที่จะดับไฟนี้ไม่ใช่ไปโยนฟืนโยนไฟเข้าไปในกองไฟ ยนฟืนเข้าไปใหม่ๆมันอาจจะไฟทำท่าอาจจะละอาจจะดับลงไปก็ได้เพราะฟืนยังไม่ร้อน mm hmm. แต่พอทิ้งไว้สักพักคุพอฟืนมันร้อนขึ้นมาไฟมันก็จะกลับลุกขึ้นมาแรงกว่ากว่าเดิม mm hmm. วิธีดับไฟเราต้องใช้ไหลใช้น้ำใช่ไมเ mm hmm. วลาเกิดไฟไหม้นี่เราต้องรีบหาน้ำมาดับไฟกัน mm hmm. ยันใดวิธีดับไฟในใจคือความอาฆาตพยาบาทก็ต้องดับด้วยน้ำของความเมตตาน้ำแห่งธรรมถ้าเราให้อภัยเขาได้เราไม่ตอบโต้เราวางเฉยปล่อยวางอยาอมรับว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของวิบากกรรมของเราก็ได้ชาติก่อนเราอาจจะไปทำร้ายเขาไปทำให้เขาเสียหาย วิชาตินี้ก็ได้บางทีแล้วอาจจะไปพูดอะไรไปทําอะไรที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจไม่มีเจตนาแต่เมื่อเขาได้ยินได้รับผลา ก, การกระทําของเราแล้วทําให้เขาเสียหายหเดือดร้อนใจขึ้นมาเขาก็โกรธขึ้นมาได้เขากโกรธแล้วส่วนเขาจะให้อาภาัยเราหรือไม่นี้เราไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าเขาให้อาภัยเราได้เรื่องก็ก็ดีไปก็จบไป แต่ถ้าเขาให้อภัยเราไม่ได้เขามาทําร้ายเราอย่างน้อยเรามีธรรมะเรามีเรามีพระพุทธเจ้าสอนเราว่าเราต้องฉลาดเราอย่าไปสุมไฟให้มันลุกใหญ่โตขึ้นไปเราต้องดับไฟด้วยน้ํา<ม>น้ําที่จะดับไฟแห่งเวรกรร ม, มก็คือความเมตตานี่เองฉน<ม>ั้นเอาเวลาโหนตัคือให้เรา ให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมกันเวลาที่เรามีเหตุการณ์ที่กระทบกระทั่งกันจะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามบางครั้งก็อาจจะไม่มีเจตนามันเป็นเรื่องสุดวิสัยเรื่องอุบัติเหตุขับรถไปอาจจะพลาดพังเบรคเบรกเสียเหยียบยุดหยุดรถไม่ได้วิ่งไปชนท้ายเขาอย่างนี้ก็ไม่มีเจตนาแต่ความเสียหายมันก็เกิดขึ้น ผู้เสียหายเขาก็ต้องเดือดร้อนเป็นธรรมดาแต่ถ้าเขามีเมตตาเขาก็บอกเขาก็จะบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเกิดขึ้นแล้วไม่เป็นไรไให้ให้อภัยกันได้ถ้าช่วยเหลือพ้าใช้ใจ่ายในการซ่อมรักษาได้ก็ช่วยเหลือกันไปถ้าไม่มีจริงๆก็ถือว่าเป็นการทำบุญทำทานไปการให้อภัยนี้ก็เป็นเหมือนการทำทาบุญอย่างหนึง่ง เวลาเราให้ข้าวของทำบุญเช่นเอาข้าวของมาถวายวัดเวลาใส่บาตรนี้เราก็ให้วัตถุทานให้แล้วใจเราก็มีความสุขใจอิ่มใจเราให้ความสุขแก่ผู้อืนฉันใดเวลาที่เกิดเหตุการณ์เสียหายแล้วเขาไม่สามารถที่จะชดใช้เราได้ ถ้าเรามีประการหรือเราไม่เดือดร้อน mm hmm. ก็คิดว่าเป็นการทําบุญทําทานไปก็แล mm ้ว hmm. กันให้อภัยกันไปเรื่องมันจะจบและอาจจะได้มิตรภาพขึ้นมาอีกก็ได้บุคคลที่เขาทําร้ายเราเขาอาจจะเสียใจแล้วเขาอาจจะกลับเขาอาจจะคิดเห็นคุณงามความดีของเราและอาจจะกลายเป็นมิตรของเราก็ได้ แล้วเราก็อาจจะไม่รู้ว่าในอนาคตวันใดวันหนึ่งเราอาจจะไปอยู่ในเหตุการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึ่งแล้วบุคคลนั้นก็ผ่านมาพอดีหรืออยู่ในความสามารถที่จะช่วยเหลือเราได้ mm hmm. เขาก็อาจจะช่วยเหลือเราก็ได้ mm hmm. ถ้าเป็นศัตรูกัน mm hmm. เขาก็จะซ้ำเติมเรา mm hmm. สมน้ำหน้าเราสิ mm hmm. นี่คือการที่เราสามารถ ทำเหตุการณ์ที่ร้ายที่เร็วนี้ให้กลายเป็นเหตุการณ์ที่ดีได้อยู่ที่การกระทาของเราเป็นหลัก mm hmm. ส่วนมันจะเกิดขึ้น mm hmm. หรือไม่นี้ก็ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรอย่างน้อยที่สุดใจเราก็เย็นใจเราก็นอนนอนสบาย mm hmm. เวลานอนก็ไม่คิดอาฆาตพยาบาทโกรเกียร mm hmm. เวลาเรากโกรธใครเกลียดใคร ต้องการจะทําการล้างแค้นนินกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้าเราให้อภัยได้ลืมเรื่องนั้นไปเสียใจเราก็จะเย็นใจเราก็จะสงบนอนหลับสบายอันนี้คือข้อหนึ่งของการมีความเมตตาต่อผู้อื่นก็คือการให้อภัยหรือการไม่จองเวรจองกรรมกันถ้าเราสองคนอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นสังคมเล็กๆ ก็ต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเหมือนลิ้นกับฟันแต่ก็ต้องอยู่ร่วมกันจะตัดลิ้นทิ้งไปก็ไม่ได้จะถอนฟันทิ้งไปก็ไม่ได้ก็ต้องอยู่ร่วมกัน <sim. S 2> จะอยู่แบบไหนดีอ่ะอยู่แบบเกี ย, ยจ ก, กจานโกรจานาฆาตพยาบาทกันเหรืออยู่ด้วยความเมตตาอยู่ด้วยความรักกันให้อภัยกัน <c oughs> ถ้าเรามีความเมตตาแล้วเรื่องต่าง เรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กไปเพราะเรื่องใหญ่ที่แท้จริงก็คือการจองเวรจองกรรมกันนี่เอง <c oughs> อันนี้แหละเป็นตัวปัญหาใหญ่ <c oughs> ส่วนไอ้เรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทํานี้มันเป็นเรื่องเล็ก <c oughs> เสียหายเสียของอะไร <c oughs> เดี๋ยวเราก็ไปหามาใหม่ได้ <c oughs> แต่ถ้าเสียใจนี่มันมันรักษายาก <c oughs> มันอาจจะทําให้ไม่สามารถอยู่ร่วมกันต่อไปก็ได้ <c oughs> แต่ถ้าเรามีการให้อภัยกันยอมรับว่าเราอยู่ในโลกของความไม่แน่นอนเหมือนอยู่เหมือนลิ้นกับฟันบางทียังขบกันกัดกันได้ <c oughs> แต่ก็มีความจาเป็นที่เราจะต้องอยู่ร่วมกัน <c oughs> ถ้าเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่เราอยู่ในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอน <c oughs> แล้วก็อาจจะมีเรื่องที่ เสียหายให้เกิดขึ้นมาแต่เราก็ต้องรู้จักการให้อภัยแล้วเรื่องต่างๆเหล่านั้นก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยไปมีคําโบราณที่พูดว่าสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พังแล้วปุตุชนอย่างพวกเรานี้มันจะทําอะไรไม่ผิดพลาดบ้างหรือฉะนั้นคนที่อยู่ร่วมกันนี้เขาก็ต้องมีบางครั้งบางคราวก็มีการกระทําที่ผิดพลาด แต่ถ้าเรารักเขาหรือเรามีความเมตตาต่อเขาเราก็จะไม่โกรธเขาไม่เกลียดเขาแต่อย่างใดถ้าโกรธถ้าเกลียดเราก็ต้องพลิกใจแล้วให้กลับมีความรักมีความเมตตากับเขาคิดถึงเวลาที่เขาที่เรารักเขาอย่ามาคิดถึงเวลาที่เราเกลียดเขาเวลาเรารักเขานี่เขาต้องการอะไรเราก็จะทุ่มให้กับเขาได้ทุกอย่าง แล้วกับการให้อภัยแค่นี้ทำไมเราจะทุ่มให้กับเขาไม่ได้นี่คือสิ่งที่จะทำให้ใจเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขและสังคมที่เราอยู่ด้วยก็จะไม่วุ่นวายไม่มีเรื่องมีราวกัน<ม>ข้อที่หนึ่งของความเมตตาก็คืออาเวลาหุนตุการไม่มีการจองเวรจองกรรมกัน<ม>ข้อที่สองของความเมตตาก็คือ อัปยาป ช, ชาหนตุคือไม่เบียดเบียนกันทําอะไรก็อย่าไปเบียดเบียนผู้อย่าไปเอารัดเอาเปรียบผู้เราต้องมีความเมตตาคิดถึงหัวโ อ, อกเขาหัว อ, อกเราทุกคนก็ต้องการสิ่งเดียวกันต้องการความเจริญในลาบยศจลาเสริญสุขไม่มีใครต้องการพบกับความเสื่อมอพบกับความทุกข์ การกระทาของเรานี้อย่าไปทาให้แล้วทาให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนเบียดเบียนก็คือทำความเสียหายเดือดร้อนเ<ม>ช่นมีสัมมาชีพการมีสัมมาชีพนี้เป็นการไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นอย่าไปทำอาชีพที่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเช่นไปฆ่าเป็ดค้าไก่ค้าวัวค่าควายเป็นต้นการทำอาชีพเหล่านี้ เป็นการทำร้ายเป็นการเบียดเบียนหรืออาชีพที่ไปสนับสนุนก็ไม่ควรที่กระทําเช่นขายสุรายาเมาเพราะเมื่อคนเอาสุราไปดื่มก็อาจจะเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาแล้วจะไม่สามารถควบคุมการกระทาทางกายทางวาจาได้ก็จะไปทําความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นหรือขายสิ่งที่ ไปเป็นค่าเครื่องมือค่าสัตว์ตัดชีวิตเช่นเด็กเช่นปืนอาวุธต่างๆอาวุธต่างๆที่เอาไปทำร้ายกันได้เครื่องดักสัตว์นี้เป็นต้นไม่ควรจะค้าขายสิ่งเหล่านี้กันไม่ควรขายยาพิษสิ่งที่ไปกำจัดาสารพิษต่างๆที่ไปกำจัดวัชพืช หรือแมลงต่างๆเป็นตน้นคืออย่าไปทำอาชีพที่มันเกี่ยวข้องกับการที่จะไปทําให้ผู้อนเขาเดือดร้อนสัตว์ทุกสัตว์ตทุกชนิดเขาก็เหมือนเราต้องการอยู่กันอย่างพาสุขต้องดิ้นรนต่อสู้กันทุกคนอยู่เพื่อเอาตัวรอดเนี่ยที่เราเกิดมานี่เราก็ต้องดิ้นรนทํามาหากินกันเขาก็ต้อ ง, อองทํามาหากินกัน งั้นอยไปทํามาหากินที่จะไปทําให้ผู้เขาต้องเสียหายเดือดร้อนจากการทํามาหากินของเรา<ม><ม>นี่คือการไม่เบียดเบียนการอาบยาปัชชาโหนตุ<ม>ข้อที่สามอนิคาโหนตุโยมบยาไปทําร้ายร่างกายและจิตใจของผู้<ม>อันนี้ก็เหมือนกับข้อแรกเอาเวลาโหนตุให้อภัย เวลาโกรธอย่าไปดา่าอย่าไปทำร้ายเข้าของเลยอย่าไปทุบตีไปทาร้ายร่างกายทำร้ายร่างกายไม่ได้ก็ไปทำร้ายอย่างอื่นที่ทำให้เขาต้องเสียอกเสียใจเป็นไปทำร้ายไปทาลายสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาหวงทาแล้วก็ทำให้เขาเกิดความทุกข์ใจเสียใจขึ้นมาอย่ากระทำทำอะไรต้องระมัดระวังถึงผลกระทบถึงแม้บางทีเราอาจจะไม่มีความตั้งใจที่จะไปทาแต่อาจจะ เกิดความไม่รอบครอบทาไปแล้วแล้วเขาก็ไปสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อ <huh like> ื่นเช่นบางทีเราจัดงานแล้วเรามีการเปิดเครื่องขยายเสียงดังดังล่นไปหมดคนอื่นเขาจะหลับจะนอน้็หลับไม่ได้นี้ก็เท่ากับเป็นการไปสร้างความทุกข์ใจให้กับเขาต้องอย่างน้อยก็ ถ้าไปถามหรือไปขออนุญาตเขาได้ไหมว่าตอนนี้มีงานอยากจะจัดอาจจะมีเสียงดังบ้างถ้าไปพูดไปบอกเขาก็อาจจะอนุมโมทนาก็ได้เขาบอกไม่เป็นไรแต่เราก็ต้องคิดถึงออเขาเขาหรือพวกเราเกิดเวลาเขาวหน้าเขาจัดงานบ้างขึ้นมาเราจะเราจะบอกว่าไม่เป็นไรได้หรือเปล่าถ้าเขาส่งเสียงดังขึ้นมา นี่คือสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเราอยู่กันในสังค ม, มการกระทำของเราถึงแม้ว่าจะไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจที่จะไปสร้างความเสียหายหเดือดร้อนให้กับเขาแต่มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้<ม>โดยที่เราไม่มีความตั้งใจ<ม>การขับรถเวลาที่ขับดื่มโซดาแล้วไปขับรถนี้ก็เป็นก็เป็นการไปทำให้ผู้อื่นเขาทุกข์กายทุกข์ใจได้เราดื่มสซาแล้วมึนเมาเ แล้วยังไปขับรถเราก็คิดว่าเราไม่เมาเราก็คิดว่าเราควบคุมรถยนต์ได้แต่บางทีก็อาจจะเกิดเหตุกระทันหันที่สติเหล่านี้ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ทันท่วงทีก็อาจจะทำให้เกิดมีอุบัติเหตุเกิดความเสียหายต่อผู้อื่นได้เสียหายทั้งทรัพย์สินเสียหายทั้งบางทีร่างกายร่างกายก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วย ถ้าไม่ถ้ ถ, ถึงแก่ความตายแล้วโทษมันก็จะกลับมาหาเราเราก็จะต้องไปรับโทษต่ออีกนั้นจะทำอะไรต้องคิดให้ล่วงหน้าก่อนถึงผลที่จะกระทบตามมาต่อไปว่าจะทำให้ผู้อื่นเขาทุกกายทุกใจหรือไม่ถ้าทำแล้วมีโอกาสที่จะทำให้เขาทุกกายทุกใจได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงเสียนี่ก็คือความ ความมีเมตตาต่อผู้มีความปรารถนาดีต่อผู้ถ้าเรามองทุกคนว่าเป็นเพื่อนเราเป็นคนที่เรารักเราชอบ<ม>เราทําอะไรเราก็ไม่อยากที่จะไปทําให้เขาเสียหายเดือดร้อน<ม>นี่คือคนที่มีความปรัชญาคนที่มีความเมตตาจะมองคนทุกคนว่าเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนพี่น้องกันเ<ม>พื่อนร่วมโลกกันเพื่อนร่วมโลกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายกัน พยายามมองทุกคนให้เป็นมิตรแล้วเราก็จะได้อยู่อย่างสุขอย่างสบายทำอะไรเราก็จะมีความระมัดระวังไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อันนี้คือข้อที่สามของความมีเมตตาอัพยาปชาห้นตุข้อที่สี่สุขีอัตานังปลิหะรันตุขอให้เขามีความสุขกันมีความสุขรักษาตน อยากให้เขามีความสุขวิธีจะทำให้เขามีความสุขก็ดูทิว่าเขาชอบอะไรทำไปแล้วเขามีความสุขเขาชอบขนมเราก็มีขนมแล้วก็มาฝากเขาบ้างมาแบ่งเขาบ้างเขาก็มีความสุขเขาชอบฟังเสียงหวานๆพูดจาเพราะๆไพเราะแล้วก็พูดวาจาดีๆกับเขาเขาก็จะมีความสุขอย่าไป อย่าไปทำให้เขาทุกข์ใจด้วยการพูดด้วยการกระทำของเราถ้าเราอยากจะมีความสุขจากการกระทาของเราเพราะเวลาเราให้ความสุขกับเขาแล้วความสุขนั้นมันจะกลับมาหาเราเวลาเราเห็นผู้มีความสุขแล้วเราก็จะมีความสุขกันเช่นเวลาที่เขามีวันเกิดมีวันครบรอบอะไรต่างๆ เราก็ซื้อขนมของขวัญอะไรเล็กๆน้อยๆเป็นการแสดงน้ำใจให้กับเขาให้แล้วเขาก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาเราก็ได้มีความสุขที่เห็นว่าเราสามารถทำให้คนอื่นเขามีความสุขขึ้นมาได้นี่คือการทำบุญทำทานนี่คือการให้ความสุขแก่ผู้อื่นเวลาญาติโยมทำบุญทำทานเนี่แสดงว่าญาติโยมกำลังแผ่เมตตา ให้กับผู้ที่รับสิ่งที่ญาติโยมเอาไปให้ไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นผู้ไม่ใช่เป็นพระก็ได้การให้นี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องให้กับพระเพียงอย่างเดียวให้กับวัดเพียงอย่างเดียวให้กับคนใกล้ตัวเราก่อนสิ่งแรกที่เราควรจะให้กับบุคคลที่เราควรจะให้ก่อนก็คือคนที่ใกล้ตัวเราเนี่ยคนที่อยู่ใกล้กับเราที่สุดเนี่ยให้เขามีความสุขเพราะว่าเมื่อเขามีความสุขแล้วเขาก็จะ ให้ความสุขกับเรากลับมาถ้าเขาไม่มีความสุขแล้วเขาจะเอาความสุขที่ไหนมาให้เราแต่ถ้าเราให้ความสุขกับเขาพอเขามีความสุขเขาก็จะให้ความสุขกับเราเบื้องต้นนี้เราต้องแผ่เมตตาให้กับคนในบ้านเราก่อนคนที่อยู่ร่วมกันในบ้านก่อนให้ทุกคนในบ้านมีความสุขให้พ่อให้แม่ถ้าอยู่กับพ่อกับแม่ก็ให้พ่อให้แม่มีความสุข ถ้ามีครอบครัวมีสามีภรรยาก็ให้ความสุขกับสามีภรรยาตื่นนะตื่นเช้าขึ้นมาก็ทักทายกันยิ้มหวานกันไม่ใช่หน้าบื้องสายกันถึงแม้อาจจะมีความเครียดมีความไม่อยากจะยิ้มให้กันก็ต้องฝืนต้องบังคับใจเราว่าเราอยู่เรื่วมกันเราต้องให้คนที่เราอยู่เรื่วมกันมีความสุขก่อนไม่อย่างน้วครอบครัวเราจะไม่มีความสุขครอบครัวของเราจะวุ่นวาย ก็มัแต่ไปทำสิ่งต่างๆเพื่อที่จะให้เรามีความสุขกันแต่ลืมมเรื่องวิธีที่จะให้ความสุขอย่างง่ายๆกับกับครอบครัวของเราก็คือให้ความสุขด้วยความเมตตาต่อกันให้ความสำคัญต่อผู้ทักทายให้ให้รอยยิม้มให้ความห่วงใยถามสาระทุกถามสาระทุกสุขดิบว่าเป็นอย่างไรสบายดีไหม มีปัญหาอะไรหรือเปล่าเราต้องดูแลคนใกล้ตัวเราก่อนให้บ้านเราสังคมงเล็กของเรานี้มีความสุขก่อนแล้วเราถึงจะค่อยไปให้ความสุขแก่ผู้อื่นต่อไปถ้าเราสามารถทําได้นี่คือวิธีการของการแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทําำไม่ใช่แผ่ด้วยการสวดบทแผ่เมตตา การสวดนี้เป็นการฝึกสตินั่งสมาธิเพราะเวลาสดวดบทแผ่เมตตาแล้วใจเราก็จะไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอไม่คิดแล้วใจเราก็จะเย็นใจแล้วก็จะสบายมีความสุขแต่ผู้เขาไม่ได้รับการการแผ่เมตตาของเราแต่อย่างใดผู้อื่นเขาจะรับก็ต่อเมื่อเราได้พบปากกับเขาแล้วได้มีการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับเขา เพื่อให้เขามีเกิดมีความสุขขึ้นมาถ้าเราสามารถทำแผ่เมตตานี้ได้อย่างสม่าเสมอ น, นี่จะมีอนิสงส์หลายประการด้วยกันที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ให้ความเมตตารู้สึกว่าในตำรานี้ท่านแสดงไว้ถึงสิบด้วยกันแต่ไม่ทราบว่าจะจาได้หมดหรือเปล่าข้อที่หนึ่งก็คือจะอยู่อยู่เย็นเป็นสุขคนที่มีความเมตตานี้จะอยู่เย็นเป็นสุข หลับก็เป็นสุขเตินก็เป็นสุขนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายแล้วก็จะไม่ถูกปูนทำร้ายด้วยยาพิษหรืออาวุธต่างๆเพราะไม่มีศัตรูนั่นเองคนที่มีความมตตาจะไม่มีศัตรูกับใครพริกศัตรูให้มาเป็นมิตรทั้งหมดคนไหนเป็นศัตรูเราส่งของส่งขนมไปให้เขาบ่อยๆเดี๋ยวเขาก็กลายเป็นมิตรของเราเอง เราจะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษต่างๆจะไม่มีใครคิดลอบสังหารลอบฆ่าเราเพราะไม่มีใครเกลียดชังเรามีแต่คนรักเรามีใครอยากจะฆ่าซันต์คลอสไหยไม่มีใช่ไหมมีแต่อยากจะเข้าหาซันต์คลอสกันในชะ่ไหมพยายามทําตัวเราให้เป็นซันต์คลอสได้คนที่มีความเมตตาเนี่นะนะคือเป็นซันต์คลอสเรารับประกันได้จะไม่มีใครคิดทำร้ายเรา นอนหลับก็ไม่ฝันร้ายไม่มีใครคิดค่าทําร้ายชีวิตของเราจะ mm hmm. มีจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย mm hmm. ถ้าเป็นสันนิขอเดึกๆใครก็รักกันทั้งนั้นใครเจอสันคิขอก็ยิ้มตักทายกันอยากจะอยู่ใกล้กัน mm hmm. จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย mm hmm. แล้วก็จะมีเทวดาคุ้มครองรักษาปกป้องภยัยต่างๆ แล้วก็อะไรข้อต่อไปมีเทวดารักษาแล้วก็นอนหลับไม่ฝันร้ายเวลาฝึกสมาธิจิตก็จะสงบง่ายเพราะจะไม่มีนิวรณ์เช่นความโกรธปรากฏขึ้นมาในใจใจเย็นใจสบายเวลาฝึกนั่งสมาธินี้จิตจะสงบง่ายแล้ว เ, เ, เวลาตายไปก็จะเวลาตายก็จะไม่หลง จะมีสติสมบูรณ์จะมีสติที่จะรักษาให้จิตใจนี้ตั้งอยู่ในความสงบแล้วถ้าตายไปแล้วก็จะไปสู่สุคติจะไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆตามตามกำลังของความเมตตาที่ได้กระทำเอาไว้อันนี้คือประโยชน์สุขที่เราจะได้รับทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และหลังจากที่ เราตายไปแล้วร่างกายเราตายไปแล้วแต่เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราก็จะไปสู่สุคติอย่างแน่นอนจะไม่ไปอบายจะไม่ไปเกิดเป็นเดราาัจฉานไม่ไปเป็นเปรตไม่ไปเป็นน ส, สุรกายไม่ไปตกนรกสําหรับผู้ที่มีเมตตาธรรมเมตตาธรรมทำจุนโลกทําจุนโลกคือโลกของผู้ผู้กระทํานั่นแหละใครกระทําแล้วผู้นั้นก็จะมีความสุข ไ ม, ไม่ไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆตามมานี่คือข้อที่หนึ่งของการมีความมีพรหมวิหารสี่คือมีความเมตตาข้อที่สองกรุณาการุณานี่แปลว่าความสงสารเวลาเห็นผู้อื่นเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนมีความสงสารไม่ใจจืดใจดําไม่ไปคิดว่าเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องของกูมันเป็นเรื่องของมึงอย่างนี้ ควรที่ถ้าเรามีกำลังมีโอกาสที่สามารถที่จะช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ความยากเดือดร้อนของผู้อื่นได้ก็ควรจะกระทำกันเพราะคนเราบางทีก็ไม่มีไม่ชีวิตของเรามันไม่แน่นอนมันมีขึ้นมีลงได้บางทีก็มีทรัพสมบัติมีเข้าของเงินทองมีความสุขเยอะแยะบางทีก็ไปจิตประสบภัยพิบัติต่างๆก็จเจอความทุกข์ยากลาบากขึ้นมา ก็ต้องอาศัยผู้ให้ความช่วยเหลือกันเราอยู่ในเรื่องนี้เราต้องมีความการุณาต่อกันเราจะได้พึ่งพาอาศัยกันได้วันนี้เราช่วยเขาวันหน้าละเขาอาจจะมาช่วยเราก็ได้เวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนการการช่วยเหลือนี้มันก็มีขอบมีเขตคือช่วยให้เขารุกขึ้นมาแล้วพึ่งตัวเขาเองได้ ไม่ใช่ช่วยแบบอุ้มเขาไปตลอดโดยที่เขาไม่ต้องทำอะไรเลยให้รอแต่รับการช่วยเหลือของเราเพียงอย่างเดียวช่วยเหลือแบบนี้ก็เป็นเป็นการเสียหายกับตัวเขาเองด้วยเพราะทำให้เขานี้ไม่สามารถไม่ไม่คิดที่จะพึ่งตัวเองหวังจะหวังแต่จะพึ่งผู้อื่นเพียงอย่างเดียวแล้วเวลาถ้าผู้ผู้ที่ให้ความพึ่งนี้เขาไม่สามารถให้ได้แล้วจะทำอย่างไร การช่วยเหลือความสงสารนี่ช่วยเหลือในกรณีที่เขาตกอยู่ในสภาพที่ตอนนั้นเขาช่วยเหลือตัวเขาเองไม่ได้เช่นลม้มลงแล้วลุกขึ้นมาไม่ได้เราก็ต้องช่วยพยุงกันช่วยพยุ ง, รยงประกบประครองให้เขาลุกขึ้นมายืนแล้วก็ให้เขาเดินต่อไปของเขาเองได้<ม>การช่วยเหลือก็ต้องมีขอบมีเขตถ้าถ้าไปช่วยแบบที่ทำให้เขา ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ต้องคอยพึ่งคนอื่นอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็ไม่ได้ช่วยเหลือเขากลับไปทําร้ายเขาสิเช่นบางทีเราเลี้ยงลูกของเรานี่เราก็เราก็อยากจะให้เขามีแต่ความสุขไม่อยากให้เขามีความทุกข์เราอยากได้อะไรเราก็ให้เขาไปหมด mm. โดยที่ไม่ไม่ให้เขาหัดทําอะไรด้วยตัวของเขาเองเลย mm. เขาก็จะไม่รู้จักวิธีดูแลรักษาตัวเขาเอง ดัน้นบางทีให้อะไรต้องให้แบบเพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้รับด้วยให้เขารู้จักพึ่งตนเองสอนเขาฝึกขัดเขาให้เขาพึ่งตนเองไม่ใช่จะพึ่งแต่คนนึ่งตลอดเวลา<ม>เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ไปตลอดวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องตายจากโลกนี้ไปแล้วเขาจะพึ่งใครถ้าเขาต้องคอยพึ่งเราอยู่ตลอดเวลา<ม>เราก็ต้องสอนให้เขารู้จักพึ่งตนเอง เช่นส่งให้เขาไปเรียนหนังสือให้เขามีวิชาความรู้ต่างๆเพื่อเวลาที่เขาเรียนจบแล้วก็เขาก็จะได้ไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเขาเองได้ไม่ใช่เลี้ยงเขาไปแบบไม่ต้องไปเรียนหนังสือพ่อแม่มีเงินมีทองอยากจะเล่นไม่อยากจะไปโรงเรียนก็ไม่เป็นไรให้ไปหรือไปเรียนจบแล้วก็ไม่ไปหางานทําเพราะพ่อแม่มีเงินให้ใช้มากกว่าเงินเดือนที่ได้จากการทํางาน อย่างนี้ก็จะทําให้เกิดนิสัยไม่ดีขึ้นมาเกิดความเกียจข้ามไม่คิดที่จะาหาเงินหาทองด้วยตนเองหวังเกียจกิดหวังแต่เงินทองที่พ่อแม่ให้ไปอยู่เรื่อยๆเขาก็จะเดือดร้อนได้ถ้าต่อไปเงินทองอาจจะหมดขึ้นมาแล้วเขาจะไม่รู้จักวิธีที่จะหาเงินหาทองดงั้นการช่วยแล้วก็ต้องดูว่าช่วยตอนเขาช่วยตัวเขาเองได้หรือไม่ ถ้าเขาช่วยตัวเขาเองไม่ได้ก็ต้องช่วยเขาไปก่อนแล้วพอเรารู้ว่าเขาเริ่มสามารถช่วยตัวเขาเองได้แล้วเราก็ค่อยลดการการช่วยเหลือเขาไปตามลาดับเอาหมายของเราก็คือช่วยให้เขาเพื่อให้เขาช่วยตัวเขาเองให้ได้นี่คือหลักของความสงสารไม่ใช่ช่วยแบบให้เขาแบบงอมืองอเท้ารอรับแต่ความช่วยเหลือของผู้อื่นตลอดเวลา อย่างนี้ก็ช่วยทําให้เขาเป็นคนพิการไปเท่านั้นเองอย่างนี่คือความหมายของความกรุณาให้เราทุกคนต้องมีการสงสารผู้เวลาที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนแล้วเขาขาดที่พึ่งพลาศัยก็หาที่พึ่งให้เขาช่วยเขาไปเพื่อให้เขาจะได้มีกําลังฟื้นฟูตัวเขาเองเมื่อเขามีกําลังที่จะไปหาอะไรของเขาได้ด้วยตัวของเขาเองแล้ว เราก็หยุดการให้ความช่วยเหลือไปอการหยุดความช่วยเหลือนี้ไม่ไม่เป็นบาปไม่เป็นการขาดความเมตตาหรือขาดความการุณาแต่อย่างใดถ้ามีเหตุมีผลถ้าถ้าช่วยเหลือแล้วไปทําให้เขาเสียหายเดือดร้อนเราก็ไม่ควรช่วยเหลือเขาเช่นถ้าเขามาขอเงินหรือขอยืมเงินไปเล่นการพนันหรือไปเด่มสุระซื้อสุรายาเมาม า, มามดื่มซื้อยาเสพติดมาเสพอย่างนี้ก็ไม่ควรที่จะช่วยเหลือ เพราะเป็นการช่วยทำร้ายเขาไม่ได้ไปช่วยช่วยให้เขาดีแต่จะช่วยให้เขาแย่ลงไปเพราะสิ่งที่เขาไปกระทานั้นมันเป็นสิ่งที่จะเป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตของเขาเนี่น เ, เราก็ต้องรู้ว่าการช่วยเหลือของเรานี้ไปถึงเขาในรูปแบบไหนถ้าเขาขาดอาหารจริงๆแล้วเราไม่แน่ใจว่าถ้าให้เงินเขาไปแล้วเขาจะไปซื้ออย่างอื่นหรือเปล่าเราก็ให้อาหารไปให้ข้าวสารให้ปลากระป๋องให้อะไรไป ขาดเสื้อผ้าก็หาซื้อเสื้อผ้าให้ไปอย่าให้เงินไปถ้าเข้ามาอ้างเฉยๆว่าอยากจะขอเงินเพราะเขาไม่มีเงินซื้ออาหารแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงถ้าเราไม่แน่ใจก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องให้นะอย่าไปรู้สึกไม่สบายใจว่าไม่ได้ช่วยเหลือเขาเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะถูกเขาต้มตุ๋นหรือเปล่า สังคมในวันนี้มันมีคนมีทุกรูปแบบด้วยกันคนดีก็มีคนมีสัตว์มีคนพูดความจริงก็มีคนพูดหลอกลวงกันก็มีดังนั้นต้องระมัดระวังเวลาที่เราช่วยเหลือใครถ้าเราไม่มั่นใจก็ไม่ต้องช่วยเหลือไปก่อนจนกว่าเราจะมั่นใจแน่ใจว่าเขาเดือดร้อนจริงๆเสียหายจริงๆและการช่วยเหลือของเราทาให้เขาได้รับประโยชน์ได้แก้ไขปัญหาของเขาได้จริงๆ เราค่อยทำไปสมัยนี้มันมีมาทางออนไลน์กันเยอะมาทางเนี่ยมาทางข้อความต่างๆส่วนใหญ่ก็เป็นข้อความหลอกลวงทนั่นเนี่ยเราไม่รู้จักเขามาก่อนเราจะไปเชื่อเขาได้ยังไงถ้าอยากจะช่วยก็ช่วยคนที่อยู่ใกล้บ้านเราใกล้ตัวเราดีกว่าที่เราเห็นจริงๆว่าเขาเดือดร้อนจริงๆให้อย่างนั้นแล้วเราจะมีความสุขใจสบายใจ ดีก็ให้ไปแล้วจะมีความรู้สึกเสียใจในภายหลังว่าถูกหลอกดังนั้นการที่จะช่วยเหลือใครก็ต้องมีสติมีปัญญาด้วยมไม่ใช่ว่าใครมาขอความช่วยเหลือแล้วจะหมายความว่าเขาเขาต้องการความช่วยเหลือจริงาาจริงจะมาหลอกลวงเราก็ได้แต่ก็จะก็ต้องคิดทั้งสองแง่สองมุมไม่ใช่ว่ามองใครที่ไหนมาขอความช่วยเหลือว่ามาหลอกลวงเราทุกทั้งหมดเลยมันก็ไม่ได้เหมือนกันก็ต้อง ใช้ปัญญาแยกแยะดูว่าเขาเดือดร้อนจริงหรือไม่ถ้าเรายังไม่แน่ใจก็ก็ต้องปฏิเสธไปก่ อ, น, อนนี่คือข้อที่สามข้อที่สองของของพรหมวิหารสี่ก็คือให้มีความสงสารให้คิดว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นเพื่อนร่วมโลกกันเราเกิดมาในโลกนี้มันก็เป็นโลกของความไม่แน่นอนอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ย นอของความทุกข์ทุกข์ก็ไม่แน่นอนบางทีชีวิตเราก็จะระลุ่งเรืองในราบยศจัลลเสริญสุขบางทีมันก็ตกต่ํามันเสื่อมลงได้เวลาที่คนเขาตกต่ําเขาล้มลงแล้วก็ช่วยกัน ป, ประคับประคองให้เขาลุกขึ้นมายืนได้ให้เขาเดินได้เพราะถ้าเราไม่ช่วยเหลือกันบางทีเขาก็จะต้องไปช่วยช่วยตัวเขาเองด้วยวิธีทำทำผิดกฎหมายก็ได้ไปลักขโมยข้าวของเงินทองของผู้อื่น หรือบางครั้งถึงกับการไปป้นไปจี้การมีการต่อสู้กันก็อาจจะมีการฆ่ากันก็ได้เพราะเขาไม่มีไม่มีที่พึ่งเขาไม่สามารถที่จะหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาได้เขาก็อาจจะต้องถูกบังคับด้วยเหตุการณ์นี้พระท้าให้เขาไปทําบาปทํากรรมต่อผู้อื่นต่อไปแต่ถ้าเราช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนเขาก็จะไม่ต้องไปทําบาปไม่ต้องไปทาปําผิดกฎหมายกัน ประโยชน์ก็กลับมาหาที่เราเนะี่ยเราเสียของข้าวของไปเล็กน้อยแต่เราก็ไม่มีคนที่จะมาคิดทำร้ายเรามาคิดมาป้นมาที่เราอันนี้คือประโยชน์ของการมีความกรุณาต่อกันสังคมเราอยู่ร่วมกันในโลกนี้ต้องพึ่งพาอาศัยกันเวลาเราสุขเราก็แบ่งความสุขให้กับผู้อื่นถ้าเขาขาดแคลน แล้วต่อไปข้างหน้าเวลาเราขาดแคลนก็อาจจะมีผู้อื่นที่เขาจะแบ่งความสุขให้กับเราได้ น, นี่คือข้อที่สองคือให้มีความกรุณาต่อกันมีความสงสารกันช่วยเหลือกันเวลาที่มีความทุกข์ยากเดือดร้อนต่างๆข้อที่สามก็คือมุนิตาคือให้มีความชื่นชมยินดีกับความสุขความเจริญของผู้อื่นเมื่อกี้กรุณาก็คือให้ให้ให้มีความสงสารเขา แต่ถ้าเขามีความสุขความเจริญเราก็ควรจะให้ความยินดีชื่นชมกับความสุขความเจริญของเขาคืออย่าไปอิจฉาลรืยเเขาบางทีเห็นคนอื่นเขาได้ดีบได้ดีกัาเราแล้วทำให้เรารู้สึกน้อยใจเสียใจเกิดอาการอิจฉาลรืยเขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เราอาจจะไปคิดทำทาอะไรบางอย่างเพื่อสกัดกั้นความเจริญของเขาก็ได้อย่างนี้ไม่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรทา ถ้าเรามีมุดิตาจิตคือเราชื่นชมยินดีกับเขาเราให้ถือว่ามันเป็นเรื่องบุญเรื่องกรรมของเขาเรื่องบุญบารามีของเขาคนเราแต่ละคนนี้สร้างบุญสร้างบารามีมาไม่เท่ากันบางคนสร้างมากก็เจริญมากมีความสุขมากบางคนสร้างน้อยก็มีความสุขมีความเจริญน้อยให้มองอย่างนี้เป็นเรื่องของวิบากเป็นผลของบุญที่เขาทามาถ้าทาบุญมาก สร้างบุญบารมีต่างๆเช่นทานบารมีศีลบารมีเมตตาบารมีเนี่ยก็จะส่งให้เขาเป็นมีความสุขความเจริญส่วนเราอาจจะสร้างมาน้อยเราก็เลยสุขเจริญไม่เท่าเขาได้ดิบได้ดีไม่เท่าเขาวันก่อนก็มีเด็กเนี่ยเด็กก็มาถามมาทายัางไงเวลาเห็นคนอื่นเขาได้ดิบได้ดีกับเราเรารู้สึกเสียใจน้อยใจอิจฉาเขา ก็ต้องมองว่าเราอยู่ในโลกของการมารับผลบุญผลกรรมของเรานี่แหละที่ที่เราได้ดิบได้ดีน้อยกว่าเขาก็เพราะเราทำบุญมาน้อยกว่าเขาที่เราได้ความทุกข์ยากเดือดร้อนมากกว่าเขาก็เพราะเราทำบาปมามากกว่าเขาให้เรามองอย่างนี้กันมองเรื่องของวิบากแล้วเราก็จะได้แก้ปัญหาให้ถูกจุด คือแทนที่จะไปไปกันแกล้งเขาไปสกัดสกั้นความสุขความเจริญของเขาซึ่งทํายังไงก็ทําไม่ได้หรอกถ้ามันเป็นบุญของเขาถึงเวลาที่เขาจะเจริญไม่มีใครขัดขวางได้เวลาบุญจะส่งผลเนี่ยเรามาแก้ปัญหาที่เราดีกว่าถ้าเราด้อยกว่าเขาก็แสดงว่าเราทําบุญมาน้อยกว่าเขามาฝึกเจริญเมตตาให้มากขึ้นทําบุญทําทานให้มากขึ้นอย่าไปทําบาปถ้าเราจเจอความทุกข์ยากลําบากมาก ก็แสแดงว่ามันเป็นวิบากของการกระทําบาปของเราที่ทำมาในอดีตชาติถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะแก้ปัญหามันก็จะทําให้ใจเราหายเศร้าหายเสียใจหายน้อยใจได้เพราะเราต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นการกระทําของเราเองเราอาจจะไม่เห็นคุณค่าของการทําบุญต่างๆไม่เห็นคุณค่าของการรักษาศีลพอมาเกิเดในชาตินี้ก็เลยต้องมาเจอกับวิบากกรรมของเรา ชาตินี้เราโชคดีเราได้มาเจอกับคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอริยสงสาวกที่จะมาสอนมาบอกให้พวกเรารู้ว่าพวกเรานี้มีกรรมเป็นของของตนการกระทําของเราไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาป เ, ออเราจะต้องเป็นผู้รับผลของบุญและบาปนั้นในภพต่อไปในภายภาคหน้าการที่เรามารับผลบุญผลบาปในชาตินี้ก็เพราะเป็นผลบุญผลบาปที่เราทําไว้ในอดีตชาตินั่นเอง ทางโบราณเขาถึงมักจะมีการพูดว่าการแข่งรถแข่งเรือนี่ยังพอแข่งกันได้นะแต่แข่งเรื่องบุญบารมีนี่เป็นของที่แข่งไม่ได้เพราะมันเป็นของที่เราต้องทำมาในอดีตชาติถ้าเราอยากจะแข่งบุญบารมีก็ต้องสร้างบุญบารมีในชาตินี้ไปแล้วก็ใจเย็นๆรอไปเกิดชาติหน้าแล้วก็ไปรับผลบุญของบุญบารมีของเราต่อไปก็ <fi> เหมือนกับการที่เราทาอะไรการปลูกต้นไม้เนี่ย รับปลูกต้นไม้วันนี้เราไม่ได้หวังที่จะให้ต้นไม้ออกดอกออกผลในวันนี้ใช่ไหมปลูกต้นทุเรียนอะไรนี้บางทีต้องใช้เวลากี่ปีสี่ห้าปีมันถึงจะออกลูกอ อ, อกมาได้แต่ถ้าเราไม่ปลูกวันนี้อีกห้าปีมันก็ไม่มีโผลกขึ้นมาได้แต่ถ้าเราปลูกตั้งแต่วันนี้ปลูกเรื่อยๆปลูกเยอะๆเดี๋ยวห้าปีข้างหน้าจะมีทุเรียนกินจ น, จนวันตายกินไม่หมดมอยู่ที่การสร้างเหตุของเรา เพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับว่าคนเราที่มาเกิดในโลกนี้มีความสูงต่ำมีความสุขทุกข์มากน้อยต่างกันเพราะบุญบา ร, รมีที่สะสมมาหรือบาปกรรมที่ได้ทำมามันไม่มีมากน้อยไม่เท่ากันนั่นเองต้องมารับผลบุญผลบาปของของของแต่ละคนไปอย่าไปอิจฉาริษยาอย่าไปขัดขวางอย่าไปกัแก้งเพื่อให้เขาสะดุดอันนี้ทาไม่ได้หรอกถ้าเป็นวิบากจริงๆไม่มีใครมาห้ามได้ ไม่ว่าจะเป็นวิบากทางบุญหรือวิบากทางบาป ก, ก็ต่างมีทางเดียวเท่านั้นก็คือเรามาสร้างวิบากทางบุญกันสร้างสร้างบุญกันแล้วก็ละการกระทําบาป ก, กันถ้าเรายังถ้าหน้าถ้าเรายังกลับมาเกิดต่อไปถ้ายังไปไม่ถึงนี่ผ่านเราก็จะได้พบกับสิ่งที่ดีๆรอเราอยู่ต่อไปอันนี้คือข้อที่สามให้เรามีมุนิตาจิตเวลาเราเห็นใครเขาสุขเขาเจริญเขาเด่นเขาดีกับเราร่ำรวยกับเรา ก็แค่ว่ามันเป็นเรื่องวิบากผลบุญผลกรรมของเขาไปก็แล้วกันแล้วเราก็จะได้สบายใจไม่ต้องไปยุ่งไปกังวลกับเรื่องของเขามากังวลกับเรื่องของเราดีกว่าแล้วเราเราทำไมเราถึงไม่สุขไม่เจริญสักที<ม>ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ทำบุญมามากพอนั่นเอง<ม>อันนี้คือข้อที่สามทจะทำให้ใจเราสงบใจเราไม่วุ่นวายใจไปกับความสุขความเจริญของผู้อื่นถ้าแสดงความยินดีได้ก็ไปแสดงความยินดีกับเขา แต่ถ้ายังทำใจไม่ได้ยังไปแสดงความยินดีไม่ได้ก็ทำใจเฉยๆก็มาที่ข้อที่สี่ก็คื อ, อเบเกขาถ้าเราไม่สามารถแสดงถึงความสงสารแสดงความเมตตาหรือแสดงมุทิตาได้เราก็เฉยๆไปก็แล้วกันปล่อยให้เขาอยู่ไปตามบุญตามกรรมของเข า, าการที่เราจะมีอุเบกขาได้ น, นี้เราต้องฝึกสติเพราะใจของเรานี้ถ้ามันไม่นิ่งมันจะไม่มีอุเบกขามันจะวางเฉยไม่ได้ มันจะถูกอำนาจของกิเลสตันหาความรักความชังคอยผลักดันให้เราแสดงออกไปทางใดทางหนึ่งไม่รักก็ชังไม่ไม่ชังก็กลัวไม่กลัวก็หลงการที่เราจะมีอุเบกขาเพื่อที่จะทำให้ใจเราไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจไปกับความทุกข์ยากลำบากไปกับความสุขความเจริญของผู้อื่นได้ก็คือการที่เรามีอุเบกขาคำว่าอุเบกขานี i แปลว่าการวางเฉย ไม่มีความรู้สึกเดือดร้อนกับความสุขหรือความทุกข์ของผู้อื่นถ้าเราไม่สามารถทำอะไรให้กับเขาได้เช่นเราให้ความสุขกับเขาไม่ได้หรือเวลาเขามีความทุกข์เราช่วยดับความทุกข์ของเขาไม่ได้เช่นบางทีเขาเป็นโรคภัยไข้ขเจ็บที่รักษาไม่หายพ่อแม่เราเราลารักขนาดไหนก็ตามแต่เวลาถึงเวลาที่จะต้องเจอโรคภัยไข้ขเจ็บที่หมอรักษาไม่ได้ เราก็ต้องทําใจไปเศร้าโศกเสียใจก็ไม่ได้ไปทําให้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆหายไปเรารู้จักทําใจบ้างรู้จักปทําใจให้เป็นอุเบกขาอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาเศร้าโศกเสียใจกับการสูญเสียบุคคลต่างๆที่เรารักไปได้หรือไม่สามารถช่วยเหลือใครได้ก็จะทําให้เรารู้สึกทุกข์ใจไปเปล่าๆต้องตัวต้องพยายามทําให้เต็มทีนะ่ถ้าเราให้ความเมตตากกเขาได้ก็ให้ไป แต่ให้ความเมตตาไม่ได้เขาไม่รับก็ก็ต้องใช่อุเบกขาไปให้ความกรุณาให้ความช่วยเหลือเขาปฏิเสธก็ต้องทําทําใจเป็นอุเบกขาไปอย่าไปเสียใจอย่าไปน้อยใจว่าเขาอไม่ยินดีในความช่วยเหลือของเราไม่ยินดีในมิตรภาพของเราอันนี้มันเป็นเรื่องของเขาบางทีเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะยินดีไม่ยินดีเป็นเรื่องของเขาแต่หน้าที่ของเราก็คือเราก็ต้องพยายามให้ความเมตตากับเขาให้ ให้ความการุณากับเขาให้มุทิตากับเขาแต่ถ้าเขาไม่ยินดีเราก็ทําใจเฉยๆไม่ต้องไปเสียใจถ้าเรามีอุเบกขานี่ใจเราก็จะเฉยๆไม่เดือดร้อนวิธีที่จะทําให้ใจเรามีอุเบกขาได้ก็ต้องหมั่นฝึกสติพยายามควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้เพื่อเวลาที่เรานั่งสมาธิจิตเราจะได้นิ่งได้สงบพอจิตนิ่งสงบอุเบกขาก็จะปรากฏขึ้นมาใ น, ในใจของเรา ใจเราของเราจะเฉยๆไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์รักชังกลัวหลงพยายามฝึกบ่อยๆแล้วต่อไปเวลาที่เราไปเจอกับเหตุการณ์ต่างๆที่เราไม่สามารถทำอะไรได้เราจะไม่วุ่นวายใจไม่เสียใจไม่ทุกข์ใจไม่น้อยใจก็คิดว่าเป็นเรื่องของผู้่เขาไปเราให้ความเราพยายามที่จะให้ความเมตตาเขาเขาก็ไม่รับให้ความกรุณาเขาก็ไม่รับ ให้มุดิตาเขาก็ไม่รับ ก, ก็ต้องให้อุเบกขาไปก็เฉยๆไปอย่าไปทุกข์ร้อนกับเขาเราต้องอยู่อย่างมีความสุขถ้าเรามีพรหมวิหารทั้งสี่แล้วใจของเรานี้จะสามารถอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจไปตลอดนี่คือเรื่องที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรามาศึกษามาปฏิบัติกันเพื่อที่จะทาให อย่างน้อยที่สุดก็ทําให้ใจเราเย็นใจเราสงบใจเราไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วถ้าเราเอามาทําแล้วทําให้คนอื่นเขาทําตามได้มันก็จะทําให้สังคมนั้นมีความสุขเพราะถ้าเราไม่จองเวรจองกรรมกันเขาก็จะไม่มาจองเวรจองกรรมเราสังคมก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขต่างฝ่ายต่างอยู่กันไปตามมีตามเกิด เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องอยู่ร่วมกันอยู่กันอย่างมีความสุขอย่าอยู่กันอย่างมีความทุกข์ถ้าอยู่กันด้วยความไม่มีความเมตตาไม่มีความกรุณาไม่มีมุทิตาไม่มีอุเบกขาก็จะต้องเกิดสงครามกันเนี่ยประเทศที่มีเรื่องสงครามฆ่าฟันกันทุกวันนี้ก็เพราะขาดความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเท่นั่นเองถ้าเรา ไม่ไม่ต้องการให้บ้านเมืองของเรานี้วุ่นวายมีสงครามกันฆ่าฟันกันเราก็ต้องพยายามฝึกศึกษาเรื่องพรหมวิหารสี่แล้วก็เผยแผ่แความรู้นี้ให้กับผู้ที่อยู่ร่วมกันในโลกนี้ว่าให้มามาฝึกษษแผ่เมตตากันดีกว่าเพื่อที่สังคมที่เราอยู่ร่วมกันจะได้ร่มเย็นเป็นสุขมันถ้าขาดความเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาแล้วไม่ช้าก็แล้ว ก็จะกลายเป็นมีสงครามเกิดขึ้นในบ้านเมืองอย่างแน่นอนแล้วทุกคนก็จะทุกข์ยากลําบากกันไม่มีความสุขด้วยกันทุกคนแต่ถ้าทุกคนพยายามฝึกเจริญพรหมวิหารสี่อยู่ร่วมกันด้วยพรหมวิหารสี่แล้วบ้านเมืองก็จะสงบนอมเย็นเป็นสุขนี่ก็คือเรื่องธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวเวหะปุระปลิกุเลินเตสากหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติยิชิตังปะชิตังตุมหังคิปเมวะสมมิจตุสัพเพโพลินตุสังกปาจันโทปนะราโสยะถามณีโชติ อาลาสุยัตถสัพีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขิตาโยโกภวะอภิวาฒนสีลิสานิจังหุธาปจายโนยตาโรธรรมวัฏานติอายุวันุสุขังหา ลา่าช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เป็นช่วงเดียวที่สะดวกต่อการถามตอบคำถามเพะหลังจากเลิกแล้วจะมีเรื่องอื่นเข้ามาอีกนั้นขอให้ถ้าอยากจะถามอะไรขอให้ถามในช่วงนี้เดี๋ยววันนี้มีชาวต่างชาติด้วยเดี๋ยว เดี๋ยวให้ทาวสังชาติถามก่อนนะวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับฟังธรรมานากุจากทางเฟ e บ o o กพระอาจารย์สุชาติ493ท่าน YouTube พระสุชาติ l ล v e 341 YouTube ด r V 60ครับ h ฮ u s e 7วิทยุออนไลน์11นากุ154รวมทั้งหมด 1,066 ท่านคะ่ะ มีาำถามอะไรก็เชิญถามได้อยากถามบ้านอาจารย์นะครับคุต้องเนี่ยอยากถามบ้านอาจารย์นะครับคือเวลาเราจะปฏิธรรมคนเดียวครับมันมีสิ่งที่ต้องปฏิบัติตัวยังไงครับอะไรคนเดียวนะปฏิบัติธรรมคนเดียวหรือทาสมาธิคนเดียวครับเขดีแต่การปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติคนเดียวแล้วแต่ท่องพุทโธพุโธแล้วก็ไม่เคยรู้เรื่องอะไรครับคือจะทําสมาธิให้จิตสงบได้ต้องมีสติคอยควบคุมความคิดครับ แล้สิ่งที่จะควบคุมความคิดได้ก็คือการท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปก็ไม่เห็นอะไรเลก็ไม่เห็นอะไรต้องการจะหยุดความคิดต้องการความสงบเห็นความสงบรรเห็นได้เห็นได้หไหมสงบอย่างเดียวครับ อ, อต้องการความสงบอย่างเดียวถ้าจะเห็นอะไรนี้ต้องเป็นสมาธิที่ลึกเช่นลึกแบบเรียกว่าอุปจารสมาธิก็จะเห็นโลกเห็นสวรรค์เห็นเปรตเห็นเห็นกายที่ต่างๆมันได้อันนี้เรา ผมก็พยายามตั้งาจากพระจารย์หลายหลองค์นะก็เขายังไม่เขายังไม่เคยเห็นอะไรเลยครับก็สติเรายังมีน้อยไงสติยังไม่มมมนั้ ง, งวันเลยต้องฝึกสติทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับลไม่ให้คิดเลยพอลืมตาขึ้นมาก็พุทธโทพุทธโทรไปเรื่อยๆอแล้วจําเป็นต้องบบบวชจริงๆแล้วจริงๆแล้วจำเป็นต้องบวชหรอเคยบวชนี้ถ้าเราอยากจะปฏิบัติแบบ ไม่มีไม่มีอะไรมาขัดขวา ง, งการบวชจะดีที่สุดเพราะไม่ต้องไปทํามาหากินไม่ต้องไปยุ่งกับการกับคนนั้นคนนี้สามารถอยู่คนเดียวปฏิบัติธรรมได้ทั้งวันก็จำเป็น ต, ต้องมีแบบครูบาอาจารย์คอยสั่งสอนเปิดไหมผมเคยอ่านปอดต้องมีอาจารย์นั้น ม, มั่มนเพราะการบวชเป็นพระนี้เป็นการฝึกลิงเลยลิงถ้าไม่มีคนคอยสอนให้มันไม่ให้เป็นพระลิงมันก็จะเป็นลิงอยู่นั่นเวลาเราบวชใหม่ๆนี่เรายังไม่เป็นพระคอนายานะ นิสัยของเรายังเป็นเนึ่องอยู่ยังไม่รู้ผิดถูกดีชั่วสูงต่ำมาเป็นอย่างไรเลยต้องมีครูบาอาจารย์คอยสอนทีนี้ครูบาอาจารย์สมมาตะเข้าไม่ค่อยถึงนะครับ<ะ>สมมาตรเข้าไม่ค่อยถึงก็ไม่เข้าไปหามันก็เข้าไม่ถึงนี่นี่เข <c oughs> ้ามาถึงนี่ก็ถึง <c oughs> ไม่มาจะมาถึงได้งไงคือแบบคือแบบสุดระเบิด บอกว่าเป็นลูกศิษย์ก้นกุติอะไรเงี้ยต้องเข้าหาวขาเนี่ยบ่ๆก็ต้องเป็นห่างกุติก่อนไม่เดี๋ปก้อนกุติได้ไงมันก็ต้องค่อยๆไต่เต้าขึ้นไปก็มีข้อสงสัยอยู่เยอะเลยอล้ก็ไปเป็นเข้าไปวัดก่อนแล้วก็ไปเป็นกุติเป็นลูกศิษย์ทางทางก่อนแล้วเดี๋ยวท่านเห็นหน้าบ่อยๆเข้าเดี๋ยวท่านก็อย่างเช่นเขาบอกอย่างเช่นผมเคยเป็นลูกศิษย์เคยศึกษาของหลวงพ่อวิระยังนะผมก็มาศึกษากับพระอาจารย์สุชาติ ว่าบางวิย่างท่านก็บอกว่าการฝึกสมาธิมันทีต้องอยู่สบายต้องมีแอร์บ้างต้องมีกินมีที่นั่งสบายนะฮะเดี๋ยวพรพุธเจ้ามีหรือเปล่าอะไรครับพระพุทธเจ้ามีหรือเปล่าไม่มีอะ่ะถ้วเราเราถือใครเป็นอาจารย์ไปทำไมหลวงพ่อวิริยงโตแล้วท่านทังค่ายกับมาณะภาพไปแล้วผมก็ก็อยาท่านมายุ่งเลยปล่อยท่านไปเถอะ กก็เลยกันแล้วมาฟังนะว่าตาสุชาติกันสงสัยมันขันแยงกันอ่าก็แล้วแต่เราต้องเลือกไงว่าอันไหนถูกกับเราไม่ถูกกับเราถ้าเราติดห้องแอร์ก็ไปหาห้องแอร์ติดอีู่ไป <c oughs> ไม่ได้ติดห้องแอร์้าไปมันสงสัยครับอ่สงสัยแล้วแล้วไงดีเพราะการสอนไม่เหมือนกันถ้าสงสัยก็ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างตอนตัดสิมีอะไรมีต้นโพธิ์อยู่ต้นเดียวครับ ถ้าเอาวางไปด้วยป่ะเวลาท่านออกจากวังไปท่าไม่เอาอะไรไปเลยแม้แต่ชิ้นเดียวแต่ตอนนี้คือคือหน้าเวลานี้ผมได้แต่ไปทํากุฏิสร้างกุฏิที่สํานักสงฆ์ครับคือได้แต่ยังไม่เสร็จก็จะไปปฏิบัติธรรคนเดียวเนี่ยก็คงไม่ดีใช่ไหมต้องมีครูบาอาจารย์คอยทั้สอนถ้าเรารู้แล้วเราก็ไม่ต้องมีก็ได้ถ้าเรารู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรเราก็ไปได้ ถ้าถ้าเรามีความสงสัยอะไรค่อยมาหาอาจารย์ถามอาจารย์ใหม่ทีก็ได้ไม่ได้ไหมครับว่าจะต้องอยู่กับอาจารย์เป็นแบบแปดสยามตลอด <c oughs> ไปเพื่อเรียนรู้วิธีการปฏิบัติ <c oughs> พอเรารู้วิธีปฏิบัติแล้วเราก็แยกตัวไปปฏิบัติเพราะการปฏิบัติต้องเป็นชีวิตต้องปฏิบัติคร <c oughs> ั้งเดียวแล้วถ้าเราเกิดติดขัดตรงไห น, นไม่เข้าใจตรงไห น, นก็กลับมาถามท่านได้ไเรียนเป็นขั้นๆไปดตอนน้ จะเป็นต้องไปถ่มขาวไมฮะไปหมัดถ่มขาวหรือทำอะไนะมต้องถึงศีลแปดนะควจะปฏิบัติครจะถ่มขาวด้วยให้ถลแปให้ได้ก่อนก็เคยเคยไปที่วัดป่าท่ามัวที่แม่้องสอนนะก่อนใช่เข้าวัดส่วนใหญ่ข้าปฏิบัติถ้าปฏิบัติธรรมนี้ถศีลแปดน้นุ่ขาวหมขาวจะนุ่งขาวไม่ไม่ไม่สำคัญถ้าไม่มีชุดขาวก็ไม่เป็นไรขอให้รักษาศีลแปดให้ได้กัแล้วกันรักษาศีลแปถ้าเราอยู่คนเดียวนะ แต่ ถ, ถ้าเราไปอยู่กับเขาเขาใส่ชุกดขาแล้วก็ต้องขขเขาวนกะับเขาเลยหรือจะเป็นกาฝากเลยอันนี้ผมผมผมคืออาจจะคือไม่มีความรูน้นะปัญญาไม่เพียงพอครับอดีตชาตินี่หมายถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วหรือแบบเหตุการณ์ที่เราเคยตายมาแล้วหรือหรืออะไรทั้งตั้งแต่วันตั้งแต่วันเมื่อวานนี้ไปก็เป็นอดีตของคิดของมคิดอย่างนั้นนะอัต่ท่องสายอดีตชาติก็หมายถึงชาติก่อน อดีตมันมีหลายแบบอดีตอดีตอาจจะเป็นเมื่อวานนี้ก็ได้เมื่อเช้านี้ก็เป็นก็เป็นอดีตครับแต่อดีตาชาติหมายถึงชาติก่อนที่เรามาเกิด น, นี่แล้วชาติที่เราเป็นมนุษย์ข่าวก่อนครั้งสุดท้ายนะแล้วที่พาท่านสอนท่านสอนว่าอาดีตชาติเนี่หมายถึงอดีตที่ผ่านมาตอนมีชีวิตอยู่หรือหรือว่าเมื่อก่อนเป็นเป็นงูเป็นกวางยังไงเป็นได้มันเป็นได้หลายแบบไงแล้วแต่บุญตบาปที่เราทําไว้ ทำบาปบางทีก็ต้องไปรับผลบาปก็ไปเป็นวัวเป็นควายเป็นนกเป็นอะไรไปแล้วทําทบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไปเป็นเทวดาก่อนแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปครับแล้วกันที่เราตั้งแบบกัดเขาว่าผมเคยได้ยินได้ฟังว่ากัดเจตนากลับไม่เจตนาเช่นเราทําผิดโดยไม่เจตนานี่ถือว่าไม่ใช่ผิดใช่ไหมผิดแต่ไม่บาปคือว่าไม่ มันเป็นอุบัติเหตุเช่นขับรถไปชนคนตายเขาวิ่งตัดหน้าเราอย่างเงี้เราไม่มีความตั้งใจจะไปทําให้เขาตายี้ยไม่ได้แต่มีแต่แต่มีความเสียหายแต่ก็มีความเสียหายก็ต้องระมัดระวังไม่มนนต้องไปใช้นี่เขาไปใช้ชดใช้ค่าไปทำเขาตายนะครับอืมครับโอเคครับผมไม่มีปัญหาอะไรบ้างแล้วขอบคุณครับอ้าวออ้าวเด้อ คำถามจะพูดรับฟังน้ากุดค่ะมีเวลาขึ้นไปปฏิบัติธรรมบุญขาห้าวันและคิดว่าจะอดอาหารควรจะทำแบบทานหนึ่งมือ้องดวันถอดไปหรือควรจะเริ่มงดเลยสองวันดีคะพอดีอยากลองงดอาหารเป็นครั้งแรกแต่ก็ถือศีลแปดไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วค่ะก็ลองทดลองดูสิดูกำลังลองมีมากแค่ไหนลองลองเอาวันหนึ่งก่อนแล้ววันต่อวันไปก็ได้ ถ้าวันแรกดีเอาวันที่ต่ออีกวันที่สองก็ได้วันที่สองดีก็ต่อวันที่สามก็ได้ไม่มีใครห้าม <c oughs> ขอรบกวนทำให้ใจคล้องครับคือแบบการฉันอาหารการันการหารันนนอาหารครับทั้งฉเนื้อสัตว์หรือผักเนี่ยมันตางกันไหมมีมความผิดผักแล้วผักผักก็คือมันมีชีวิตไหมครับผักก็ไม่มีเนื้อสัตว์ก็ไม่มีมันตายแล้วไม่ใช่ว้า <laughs> ที่เราแค่กินมนันหน่อยไปแล้วเขาม า, าพระบางค น, ก, น, นกินไม่บาปกินไม่บาปฆ่าบาปแต่กินไม่บาปจะไปฆ่าเขาก็แล้วกั น, นบางวันนี่ก็ชัดเาันมังสวิรัตอย่างเดียวแล้วเรื่องของเข า, า, ขามันก็ปล่อยเขากินไปเด็แเลเกหลของเราเอบัวควายมันก็มังสวิรัตเหมือนกั น, น่ะ <laughs> ใช่อ่ะเพราะมันกินญยาอนั่นแหละมันกินยาก มันแต่ไม่ก็ไมต้องกังมันไม่ได้อยู่ที่กินอะไรอยู่ที่ฆ่าหรือไม่ฆ่าอยู่ที่เราไปฆ่ามันหรือไม่ถ้าเราไม่กินเขาก็ไม่ฆ่าใครไปรู้ได้ไงเขาไม่ฆ่าเขาเขาเขาก็จะฆ่าของเขาอยู่แน่หลยเขาเขาก็ต้องกินมันไม่ใช่หรอกเขาฆ่ามันเพื่อเรากินนะครับก็นั่นสิการกินของเขาเราไม่ได้ไปสั่งเขาฆ่าก็ไม่ผิดแล้ว เราไม่ไปสั่งเขาค่าเราอย่าไปสั่งเขาค่ามันอย่าไปสั่งลูกหน้าพวกนี้เขาไก่สองตัวเงี้ยผิดเขาไก่สองตัวเนี้ยผิดได้นอนแต่ถ้าไปวันนี้แล้วเขาค่าอยู่แล้วซื้อมาไม่ผิดอย่างเงี้มากินไรเขาแกงไงกินเนื้อกินงัวกินเป็ดกินไก่เข้าฆ่ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เกี่ยวเราแล้วกินไม่กินมันก็ตายแล้วไม่ใช่เหรอมันก็ตายแล้วจะผิดตรงไหนเนี่ยไมเกี่ยวเราตรงไหนนะ ไม่เกี่ยวว่าเข่งหรือไม่เข่งไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวว่ากินมันเราเข่งกินจัดนี่ไม่มีเข่งเข่งก็คือยินดีตามมีตามเกิดได้อะไรมาก็กินตามมีตามเกิดมีตามเกิดอสันโดยมักน้อยกินน้อยๆเข่งไม่ใช่กินยาพุงกลางแล้วต้องไปเดินออกกําลังกายไหมกินเพื่ออยู่อย่าไปอยู่เพื่อกินกินเพื่ออยู่ไม่ไ่้กินนั่นแหละเข่งก็ต้องอยู่แบบนั้นกินเหมือนกินยากินตามเวลากิน พอแต่ความต้องการของร่างกายอย่า ก, กิน<อ>ด้วยความอยากกินด้วยความอยากอืแล้วเรากินด้วยความอยู่รอดเออยู่เพื่อให้ร่างกายมันหายหิวดับความหิวในร่างกายค ร, ครับครับขคำคมมากผมไม่มีอะไรครับราอาจารย์ก็สงสัย <laughs> อ่า<ะ> <laughs> ดียินดียินดีแก้ความสงสัยให้ <laughs> คำถามจากทางบ้านค่ะวันวันหนึ่งทำงานแล้วแล้วก็นอนคนรอบข้างก็อิจฉากันผู้ใจแย่แย่น่าเบื่ออยากตายทุกๆุกวันต้องแก้อย่างไรคะก็ฝึกเอเบกขาห้เราห้ามเขาไม่ได้เขาจะคิดอย่างไรมันเป็นเรื่องของเขาเราไม่ไปทำความเดือดร้อนเสียหายกับเขาก็เราก็ไม่ต้องทำอะไรก็อยู่เฉยเฉยไป มนคนเขาก็อิจฉาทีษสยาเขาไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาตรู้ว่าทาบุญทาบาปมาแล้วได้เด็บได้ดีต่างกันไปอิจฉามันก็เป็นเรื่องเป็นความทุกข์ของเขาเราไม่ต้องไปทุกข์กับเขาเราต้องฝึกอุบเบกขาฝึกฟังใจให้เฉยเฉยไม่ไปวุ่นวายกับการกระทํากับการพูดการคิดของเขาเราห้ามเขาไม่ได้ คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะชากาแฟที่ใส่นมใช้เป็นน้ำใช้เป็นน้ำปานะนําไปถวายให้พระพิสุต้อนใหม่ได้ไหมคะไม่ได้หรอกถ้าใส่นมถ้าไม่ใส่นมได้ถ้าใส่น้ําตาลอย่างเดียวบัญชานํานี้ได้เป็นโเลีนี่ได้แล้วทำไมอกไม่ได้ครับนมเป็นอาหารอ๋อเป็นอาหารถือว่าเป็นอาหารแต่น้ําตาลนี่เป็นถือว่าเป็นยาเป็นผักพืชเป็นยาเป็นยา ยารักษาพระพุทธเจาาา้าอนุญาตยาห้าชนิดที่ฉันตอนบ่ายได้น้ำตาลน้ำอ้อยน้ำมันเนยข้นเ น, นยเหลวนี่ห้าชนิดกินได้กินเพื่อรักษาบางทีโลคกระเพาะมันมันมีแผลในกระเพาะกินแล้วมันเจ็บท้องนีก็กินพวกนี้เข้าไปรักแผลได้หมดแล้วยัง คำถามจากทางบ้านค่ะพระอาจารย์ครับมีวิธีอะไรถึงจะทำให้ไม่คิดเรื่องการการมราคะเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ครับก็คิดถึงองคสุภาพแทนเนี่ยเวลาคิดถึงใครสวยๆงานก็มองเข้าไปใต้ผิวหนังเขาดูผ่าผ่าหน้าอกก็ออกมาดูปอดดูตับดูหัวใจดูลำไส้ดูกระดูกต <im g ly> ้องฝึกขัดต้องไปดูภาพต่อสุภาพบ่อยๆแล้วพยายามจดจำไว้ในใจเรา ้้้ามีภาีภพนในใใจแ ล, ว, แลวควาาาามมมขดอยจ่จจะะเเกกกนน้็ไิึคำถามจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะเวลาเราอุทิศบุญให้ครูอุปัชชาอาจารย์แล้วครูบาอาจารย์ที่ยังมีธาตุขันธ์อยู่ท่านจะได้รับไหมคะบุญนี้อุทิศให้ได้แต่คนตายแล้ ว, <ม>ลวอย่าไปอุทิศบุญให้กับคนที่เขามีมากกว่าเรา<ม>เขาไม่ต้องการ<ม>อย่าเอาเงินไปให้เศรษฐี<ม>เอาไปให้ขอทาน ผู้ที่เป็นขอทานก็คือพวกเปรตพวกเปรตนี่ เ, นเป็นพวกที่เป็นขอทานเพราะในขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่ชอบทําบุญชอบแต่ทําบาปพอตายไปก็เลยไปเกิดเป็นเปรตขึ้นมาแล้วก็ไม่มีไม่มีบุญไว้รักษาตนเองให้อิ่มให้สุขให้สบายก็เลยต้องมารบกวนคนที่มีชีวิตอยู่มาเข้าฝันอย่างนี้ความจริงเวลาจะทําบุญให้กับคนตายไปนี้เราต้องมีสัญญาณมาบอกเราก่อน เป็นมาเขามาเข้าฝันราะว่าตอนนี้ทุกข์ยากเดือดร้อนเหลือเกินช่วยเหลือหน่อยสิ อ, อย่างเนี้ยพรุ่งนี้เช้าเราก็ไปใส่บาตรทำบุญได้แต่ไม่ได้ทำบุญกับครูบาอาจารย์หรอกท่านเป็นมหาเศรษฐีบุญอยู่แล้วเราเป็นขอทางบุญ <c oughs> <c oughs> คำถามจากทางยูทู u ด e ออร์วีค่ะ คุณพ่อเพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานใจมีความโศกเศร้าและคิดถึงท่านลูกควรทาอย่างไรเพื่ออุทิศบุญให้คุณพ่อได้อย่างถูกต้องคะก็ถูกนี่แหละก็ทําบุญเนี่ยทาบุญใส่บาตร ท, ทาบุญอะไรก็ได้ทําบุญให้โรงพยาบาลโรงเรียนอะไรก็ได้ทําแล้วใจเราจะมีบุญขึ้นมาแล้วก็แบ่งบุญนี้ไปให้กับท่านได้ส่วนท่านจะรอรับอยู่ไหมก็อยู่ที่ตัวท่านเองว่าท่านอยู่ในสภาพใด ถ้าท่านเป็นเศรษฐีบุญมีบุญติดตัวไปท่านก็ไปเป็นเทวดาท่านก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญของเราแต่ถ้าท่านไม่ได้ทำบุญทำแต่บาปท่านก็อาจจะมารอรับส่วนบุญของเราได้คำถามจากทาง y youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะคนที่บรรลุส ก, กิตาคามีแล้วตายแล้วไปสวรรค์หรือพรหมโลกชั้นไหนเจ้าคะยังอยู่ในยังอยู่ในกามภพอยู่เพราะยังไม่สามารถตัดกามได้สาเร็จทาให้บาวางลงแค่นั้นเอง ยังเกิดเป็นเทวดาได้อยู่เป็นมนุษย์อยู่แต่ยังไปพรมโลกไม่ได้หมดแล้วเหอค่หมดแล้วก็อาวท่านนี้ก่อนสาหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจิารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเชิญ